แนะนำบทอัลกออรบทอัลกออรเป็นบทมักกิยะมีห้าบองงค์การบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องสำคัญหลักสามเรื่องด้วยกันหนึ่งเรื่องสารซึ่งพวกปฏิเสธชาวมักการนำมาเป็นข้ออ้างเกี่ยวกับการเรียกร้องเชิญชวนของมุฮัมมัดอิบนูอับดุลละซลลลลฮุไลฮยวะสลัมสอง 2. เรื่องของชาวสวนเพื่อชี้แจงถึงผลของการเนรคุณต่อความโปรดปรานของอัลลอ 3. โลกอาคิระที่มีทั้งความนา่ากลัวและความรุนแรงของวันนั้นและสิ่งที่อาลอาอทาารงเตรียมไว้สำหรับสองกลุ่มคือบรรดามุสลิมและพวกปฏิเสธศรัทธาแต่เป้าหมายหลักซึ่งบทนี้กล่าวมากคือเรื่องการยืนยันการเป็นนบีของมูฮัมหมัดสุล ล, ล, ลัลฮฺอะลัยวะสัลลัมบทนี้ได้เริ่มโดยการกล่าวถึงตาแหน่งอันสูงส่งของท่านรอซูสลสุลลัลฮฺอะลัยวะสัลลัลมเกียรติยศของท่าน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 อลัลลอฮ์จ ง, งทรงทําให้สวนของพวกเขาพินาศและทําให้เรื่องของพวกเขาเป็นนิทัศน์อุทาหนแก่ผู้ที่ใค ร, คร่ครวญต่อจากนั้นบทได้เปรียบเทียบบรรดามุหมินผู้ศรัทธากับคนชั่วทั้งนี้ตามรูปแบบของอัลกุรอานในการรวมระหว่างการชักชวนให้กระทําความดีและการขู่สาทับให้ละเว้นจากการทําความชั่วบทนี้ได้กล่าวถึงวันกียร์มาสภาพและความน่ากลัวของวันนั้น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 ขอสาบานด้วยปากกาและสิ่งที่พวกเขาขีดเขียน ب ب ด้วยความโปรดปานแห่งพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเจ้าไม่ได้เป็นผู้เสียสติวและแท้จริงสำหรับเจ้านั้นมีผลตอบแทนอย่างไม่ขาดสายวออา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 ผู้มีบาาหนเป็นคนหยาบคายยิ่งกว่านั้นยังเป็นคนหยาบช้าอีกด้วยบบวโดยถือว่าเขาเป็นผู้มีทรัพย์สินและมีบุตรหลานมาก เมื่อบันดาองค์การของเราถูกอ่านแก่เขาเขากล่าวว่ามันเป็นนิยายสมัยโบราณ uh um. เราจะตีตราบนปลายจมูกเราได้ทดสอบพวกเขาดังเช่นที่เราได้ทดสอบบรรดาเจ้าของสวน เมื่อพวกเขาสาบานว่าจะเก็บเกี่ยวผลของมันในยามรุ่งและพวกเขาไม่ได้กล่าวคำว่าอินช า, าอัลลอฮดังนั้นการลงโทษจากพระผู้อภิบาลของเจ้าก็ได้ทำลายสวนนั้น ขณะที่พวกเขากำลังนอนหลับอยู่ทันเมื่อตอนเช้ามันก็กลายเป็นเช่นสิ่งถูกตัดอย่างราบเรียบ ด, ดังนั้นพวกเขาจึงกูตะโกนให้ตื่นแต่เช้าตรู่ร um um จงเข้าไปในสวนของพวกเจ้าในตอนเช้าตรูเ่เถิดหากพวกเจ้าต้องการจะเก็บ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 ตั้งใจว่าจะเก็บผลไม้ให้หมดก่อนที่คนยากจนจะเข้าไปในสวนท่านเมื่อพวกเขาเห็นสวนอยู่ในสภาพที่ถูกทำลายพวกเขาก็กล่าวขึ้นว่าแท้จริงเราหลงทางเสียแล้วบางคนกล่าวว่าเปล่าดอก พวกเราถูกหวงห้ามสิทธิ์เสียแล้วคนที่มีสติปัญญาคนหนึ่งในหมู่พวกเขากล่าวว่าฉันไม่ได้บอกพวกเจ้าดอกนี้ ว, ว่าทําไมพวกเจ้าจึงไม่กล่าวสดุดี نا, อัลลอพวกเขาจึงกล่าวว่าพระผู้อิบาลของเราผู้ทรงมหาบริสุทิ์ แท้จริงเรานั้นเป็นผู้อาธรร ม, มแล้วบางคนในหมู่พวกเขาก็หันไปต่อว่าซึ่งกันและ ก, กันพวกเขากล่าวว่าโอ้ความหายนะประสบแก่พวกเราแล้วเพราะเราเป็นผู้ฝ่าฝืนพระเจ้าเราอให้เรด้รับการชด บางทีพระผู้อภิบาลของเราจะทรงเปลี่ยนสิ่งที่ดีกว่าให้แก่เราแท้จริงระหวังในความอภัยต่อพระผู้อภิบาลของเราเช่นนั้นแหละการลงโทษและแน่นอน การลงโทษในประโลกนั้นยิ่งใหญ่กว่าหากพวกเขารู้ถ้้จริงสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงหน้าที่พระผู้พิบาลของเขานั้นคือสวนสวรรค์อันบรมสุขดังนั้นเราได้ปฏิบัติแก่บรรดาผู้เป็นมุสลิม เสมือนกับเราได้ปฏิบัติกับผู้กระทำผิดขรานั้นหรือมมเกิดอะไรขึ้นแก่พวกเจ้าทำไมพวกเจ้าจึงตัดสินเช่นนั้นมลตาบอกหรือว่าพวกเจ้ามีคำพีไว้สำหรับอ่านซึ่งในคำพีนั้นมีสิ่งสำหรับพวกเจ้า ที่พวกเจ้าจะเลือกเอาได้ออบหรือว่าพวกเจ้ามีสัญญาผูกพันกับเราจนกระทั่งถึงวันกียยมะว่าแท้จริงสําหรับพวกเจ้านั้นจะได้กระทําตามที่พวกเจ้าตัดสินเอาไว้สหอบกมุหมมด